นี่หมาจะสนใจแสดงธรรมด้วยครับการสนใจมีมีหนาประกา ว, ว่าปรักษาสุขโตตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงขอเริ่มรู้จักเยอะแล้วในเ c e บุ o k ปารัตนาไตรขอการาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอการาบธรรมจักรหลวงพ่อกมพระอาจารย์ทุกครูพันเตและเพื่อนสาธรรมิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน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 พระอาจารย์ไพศาลนะที่บอกว่าออกพรรษาแต่อย่าออกจากธรรมนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสมมุตินะที่เรากำหนดกันขึ้นมานะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออได้ออกพรรษานะก็เหมือนได้ออกจากสถานที่นะหรือบางคน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 น่าพิจารณาเหมือนกันเออในช่วงขา้าพันาที่ผ่านมา3มเดือนเนี่ยนะก็มีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะมากมายนะเป็นความรู้นะเป็นธรรมะนะหลากหลายนะซึ่งหลายท่านนะหลายคนก็อาจจะจับประเด็นหรือเก็บความรู้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 พระ อ, องค์ก็เลยตรัสว่านั่นแหละความรู้หรือธรรมะที่ท่านรู้นั้นมีมากมายหลากหลายสิ่งที่พระ อ, องค์นำมาสอนนั้นก็มีเพียงแค่กามือเดียวก็คือเรื่องของทุกข์กับความดับทุกข์เพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟัง ต, อตลอดพรรษานี้หรือแม้แต่ที่ได้เรียนรู้ได้อ่านหนังสือมา มันก็จะมาจะสรุปลงตรงนี้เท่านั้นเองก็คือเรื่องของทุกา ก, การดับทุกเมื่อพูดถึงทุกตรงนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือเราก็รู้เราได้ยินได้ฟังเราก็รู้แต่ทำไมนะนเรายังไม่ตระหนักจริงๆนิเรายังไม่รู้สึกก็ไปจริงๆนิอันนี้ก็เพราะว่าเรารู้แบบจำ เขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ได้สำนึกนได้ตระหนักในขณะที่เราได้ยินได้ฟังหรือเราจดจำได้แต่ว่ามันไม่ได้ลึกลงไปในใจเรายังไม่ได้ตระหนักเรายังไม่หาทางาวิธีที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ทีนี้การที่เราจะตระหนักหรือว่าลงลึก เข้าไปในใจจริงๆแล้วขวนขวายาที่จะเรียนรู้มันจริงๆแล้วก็หาทางาที่จะเข้าใจาเข้าใจทุก์แล้วก็เห็นความดับทุก์ได้จริงๆนั้ น, นจะต้องอาศัยการปฏิบัติหรือการฝึกลงไปซึ่งเราจะใช้เพียงแค่การได้ยินได้ฟังการคิดคำนึงคำนวณ ไม่พอนะตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยเราได้ยินกันอยู่เรื่อยๆใครก็พูดหนังสือก็บอกนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตระหนักนะเราก็ยังไม่หาทางนะเราก็ยังเพลิดเพลินยังใช้ชีวิตนะตามที่เคยเป็นนะก็คือสุกสุทุกๆุกนะยังต้องอาศัยวัตถุภายนอกบุคคลภายนอกสภาพาแวดล้อม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 สติปัฏฐาน4นี่นันะ้นเป็นเครื่องมือสําคัญนะที่จะทําให้เราเเรียนรู้ความทุกข์และก็หนทางที่จะดับทุกขนะ์ที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งก็มีอยู่หลายวิธนะีโดยเฉพาะในส่วนที่เราได้เรียนรู้ในในประเทศไทยก็ดีหรือในประเทศต่างๆก็ดีมีมากมายนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นนะตรงที่ ทำให้จิตสงบนะการนั่งหลับตาการบริกรรมนะนี่ก็เป็นวิธีที่แพร่หลายนะแต่ว่าในส่วนของอวิธีการนะที่วัดป่าสุกโตเนะี่ยได้เอาวิธีการที่หลวงพ่อเทียนนะได้นำเสนอไว้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะท่านได้ค้นพบนะแล้วก็ได้นำเสนอนะโดยไม่ต้องนั่งหลับตาลืมตานะไม่ต้องนั่งนิ่ง นะให้มีการเคลื่อนไหวนะซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะที่เหมาะกับจุคปัจจุบันนะที่ทุกคนนะโดยส่วนใหญนะ่จะต้องเคลื่อนไหวนะจะต้องทำกิจกรรมต่างๆการทำในรูปแบบนั้นมีส่วนสำคัญนะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหมนะ่หรือแม้แต่คนเก่าก็ตามนะที่ยังไม่ชัดเจน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 การเดินชงกลมก็ดนะีหรือแม้แต่ในเอิรียบท่างๆนะที่เราทำความรู้สึกตัวนะตรงนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่จะทำให้เราไปเรียนรู้นะความทุกขนะ์และความดับทุกขนะ์ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธองค์นะได้กล่าวเอาไว้การเรียนรู้นะด้วยความรู้สึกตัวนะเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน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 นะกับสิ่งภายนอกกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะจะทำให้เรามีที่พักนะหรือมีหลักนะที่จะเป็นตัวของตัวเราเองเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อเราู้กายได้บ่อยๆนะชัดขึ้นนะมันก็จะเข้าไปรู้นะสิ่งที่เป็นนามธรรมนะหรือบางทีเราเรียกว่านามนะเช่นความรู้สึก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 เขามาของเขาแล้วเขาก็ไปของเขาเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้ดูเห็นนะแล้วก็ผ่านเลยไปนะไม่ต้องไปกับไปเก็บเอาไว้หรือไม่ต้องไปเอออยากให้มันอยู่กับเรานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะทาหน้าที่ของเขาหลังจากที่เราทําความรู้สึกตัวจเจริญสติให้มากๆ ตรงนี้ก็จะเกิดผลขึ้นเมื่อเราเห็ น, นความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกก็คือความคิดความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้ น, นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขาเพราะจิตมีหน้าที่คิดเขาก็จะคิดไปในเรื่องต่างๆ่าทั้งคิดดีคิดไม่ดี คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคต น, านี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้ น, นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะความรู้สึกตัวของเรายังไม่ชัดยังไม่ตื่นนะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้เราเลยไม่รู้เพราะฉะนั้นความคิดก็ลากเราไปาเกิดเป็นภพชาติต่างๆาอย่างเช่นเราสุขเราก็รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์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 เมีลักษณะเหมือนกับคนที่มีจิตใจไม่ปกติคําว่าไม่ปกติในที่นี้ก็คือฟูฟูแฝ บ, บ แ, บบแบบนะสุขสุทุกทุกนะวิ่งหาความสุขนะวิ่งหนีความทุกข์นะอันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าพวกเราหลายคนก็คงได้เคยประสบพบเห็นกันอยู่นะแม้แต่ว่าอยู่ในวัดก็ตามนะหรืออยู่ที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น พระเป็นชีเป็นโยมนะก็คงได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้เราไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะให้เราได้เห็นทุกข์จริงๆนะเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นความดับไปของทุกข์นั้นเพราะทุกข์ก็ไม่จิรังยั่งยืนนะมันก็แปรเปลี่ยนไปนะ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 ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เจริญสตินะเราก็จะไปจมนะ่ะอยู่ในความคิดไปจมอยู่กับไหนอารมณ์ต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยนะ่ะก็เป็นความทุกข์นะที่เกิดขึ้นนะ่ะที่เราไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันนั่นเองนะความรู้สึกตัวเราไม่เท่าทันกับปรากฏการณ์เหล่านี้นะเราก็ลงเพลิดเพลินไปนะหรือบางทีก็ เอ่อมีความไม่สบายต่างๆเกิดขึ้นแต่เมื่อดดก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัวชัดนะเราจเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเหมือนกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกอาจจะเป็นเดินฟ้าอากาศนะหรือเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆนะที่มีการแปลเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา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 ลงไปในความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นนะทั้งใ น, ในทางกายก็ดีทางใจก็ดนะีเราไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ปัญหาชีวิตที่เป็นชีวิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้นะความรู้สึกตัวนะตรงนีน้ก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารนะเป็นชีวิตที่ต้องรัมทุกขนะ์จะต้องตกจม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 ความที่เราจะต้องทวนกับความเคยชินเก่าๆนะอย่างเช่นคนฝึกใหม่ๆเนี่ยก็จะง่วงวเหงาเหานอ น, นฟุ้งซ่านนะหรือบางทีก็สงสัยอันี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนนะก็อย่าท้อแท้นะอย่าท้อถอยนะสิ่งนี้นเนี่ยเป็นเป็นเออจะว่าเป็นอุปสรรคก็ได้หรืออาจจะเป็นยาชู ก, กําลังก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะผ่านพ้นแต่ความรู้สึกเหล่านี้ได้ แล้วก็เมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติไปบอ่อยมันไม่ใช่มีอารมณ์ที่ทำให้เร า, เาท้อถอยเท่านั้นบางทีเราทำไปมันก็มีปิตินนมีความสุขซาบซ่านขึ้นมา น, น, นั่นก็เป็นกำลังใจแต่อย่างไรก็ตามการฝึกปฏิบรรัติเนี่ยเราจะไปจอมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งมีหน้าที่ที่จะผ่านรู้เท่าทั น, นซึ่งจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้น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 นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนะที่มนุษย์ทุกคนนะจะเรียนรู้ได้เข้าใจได้เห็นไดนะ้เพียงแต่ต้องอาศัยความเพียรพยายามนะอาศัยอาศัยความแยบคายนะที่จะออมองนะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าพวกเราทุกคนนะสามารถจะทำได้นะ ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสสําคัญนะแม้ว่าจะออกพรรษาไปแล้วก็ตามนะภาร ก, กิจงานะสิ่งที่เราจะต้องทําถ้ายังไม่ถึงที่สุดนะเราก็ยังจะต้องทํากันต่อไปจะต้องเรียนรู้กันต่อไปถือว่าเป็นภาร ก, กิจที่ในชีวิตนี้เราจะต้องรีบฉวยนะไม่ปล่อยให้เป็นโอกาสที่เสียไปว่าะการเกิดเ ป, เป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ง่าย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 เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็อยากจะฝากนะทุกท่านนะที่ได้มาอยู่วัดป่าสุกโตนะไม่ว่าจะามาใหม่ก็ตามหรืออยู่มานานก็ตามจะออกไปนะหรือจะยังอยู่นะก็คงจะได้ตระหนักนะถึงสิ่งเหล่านี้นะภารกิจอันนีนะ้ที่เรายัางจะต้องนะเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกันเรื่อยไป